โยมมักะนาโยคถามว่าต้องปรมมาไหมไม่ต้องอ่นะเนาะเสียเวลาปรมจะมาปรมไม่มาเรื่องของปรมหลวงพ่อมาแล้วก็เติดเทศแล้ววันนี้พวกเรามีโอกาสได้มาพบกันในงานศพของหลวงตาคดึบที่เคารพที่รักที่ศรัทธาของพวกเราวันนี้ท่านแสดงธรรมให้เราฟังนะ ท่านแสดงให้เราฟังอยู่ที่เราจะฟังเป็นหรือเปล่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่สรีระร่างกายของท่านที่หน้าตาเป็นหลวงตาพนึกจะยังดำรงอยู่ส่วนพรุ่งนี้จะไม่มีและวพรุ่งนี้เวลาเนี้ยคือเวลาที่จะเผาท่านนะวันถัดไปก็เก็บกระดูกท่านสอนธรรมะเรา เป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดเลยว่านะสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาในะท่านสอนให้เราดูท่านเกิดมาเมื่อเก้าปีก่อนผ่านความทุกข์ความยากลำบากมามากมายท่านเคยเล่าว่าชีวิตท่านต้องต่อสู้มากมายเพราะฉะนั้นท่านเลยมีคาขวัญประจาตัวเรื่อยว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูเป็นยาชูกาลัง แต่ถ้ายาชูกำลังมากไปก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะเอาแค่พอดีพอดีผ่านมา90ปีนะวันนี้ท่านทิ้งสรีระร่างกายเอาไว้ให้พวกเราดูสิ่งที่ท่านสอนเราเป็นธรรมะที่สาคัญที่สุดเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาธรรมะอันนี้ถ้าผู้ใดเข้าใจนะผู้นั้นจะเป็นพระโสดาบัน มันเป็นธรรมะของพระโสดาบันคนแรกเลยที่เข้าใจว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาที่พระพุทธเจ้าเทศแล้วองค์แรกเลยที่เข้าใจก็คือพระกวลฑัญญาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกับภาวนาสูตรท่านสอนบอกว่ามีสิ่งสองสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรประพฤติปฏิบัต อันหนึ่งคือการตามใจกิเลสอีกอันนึงคือการบังคับกดข่มตัวเองทำตัวเองให้ลาบากบังคับกายบังคับใจถัดจากนั้นท่า น, นก็สอนบอกว่าเมื่อไม่ให้ทำสองสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่ให้ทำนั้นก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์แดการเจริญอริยมรรคนั้นก็คือการเจริญสตินั่นเองมีสติการที่เราคอยมีสติรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเนืองเนือง มันจะทำให้เห็นความจริงว่ากายนี้มีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลามีความทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปอยู่ตลอดเวลาอย่างจิตใจของเรามีความสุขขึ้นมามันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปมีความทุกข์แล้วมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปถ้าหากพวกเรา มาหัดเจริญสตินะคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองเรื่อยๆเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปการที่เห็นซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกนะโดยเอากายเอาใจของเรามาเป็นที่ตั้งของการศึกษาถึงวันหนึ่งมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นผู้ใดเข้าใจนี้จะได้เป็นพระโสดาบันไม่ได้ยาก อย่างที่คิดหรอกถ้าหากเราเจริญสติเป็นนะไม่ใช่เรื่องยากเลยมันยากเฉพาะคนที่เจริญสติไม่เป็นแล้วไปหลงทำในสิ่งสองสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามสิ่งสองสิ่งหลวงพ่อบอกเมืกก่อกีนี้นะจำได้ไหมอันแรกก็คือการหลงตามกิเลสไปตามใจกิเลสเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากลิ้มรสอยากรู้สัมผัสทางกายอนะไรองนี้ จิตมันออกนอกจิตมส่งออกนอกไปเที่ยวรูวอารมณ์ภายนอกเรื่อยๆหลงเห็นรูปก็หลงรูปนะได้ยินเสียงก็หลงเสียงได้กลิ่นก็หลงกลิ่นได้รสก็หลงรสนะหลงแบบไหนหลงยินดีบ้างหลงยินร้ายบ้างใจมันหลงตลอดแต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะเห็นเลยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่ตาเรามองเห็นเห็นไหมมันเป็นของชั่วคราวนะสิ่งที่ตาเรามองเห็นแ้วเราเห็นได้แวบเดียวเท่านั้น ไม่ใช่เห็นได้นานๆนะอย่างมานั่งฟังหลวงพ่อสมมติหลวงพ่อเทศ10นาทีไม่ใช่พวกเราเห็นหลวงพ่อครั้งละ10นาทีถ้าเราตั้งสติเรามีสติดูเราจะเห็นเลยว่าตาเรามองเห็นรูปเนี่ยเห็นชั่วแวบเดียวไม่เชื่อลองหันไปดูคนข้างๆนะเราจะเห็นหน้าเขาชัดในแวบเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะเบลเบลไปละเม้ตาเบเห็นแล้วก็เห็นชั่วคราวนีหนูได้ยินเสียงเสียงสูงเสียงต่ําคลื่นเสียง กระทบหูน้ํากระทบน้ําต็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหูเราได้ยินเสียงนะหูเราไม่ได้ยินเรื่องราวหูเราได้ยินเสียงเช่เสียงสูงเสียงต่ํำเสียงทุ้มเสียงแหลมอะไรพวกนี้แล้วใจมันมาแปลสัญญามันมาแปลถึงจะได้ฟังว่าเรื่องอะไรเสียงเรื่องอะไรนั่เสียงที่มากระทบแต่ละเสียงแต่ละขณะแต่ละขณะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นอย่างหลวงพ่อพูดคำว่าสิ้น สิ้ น, นกไ็ได้ยินแล้วก็ดับใช่ไหมได้ยินแล้วก็ดับพูดคําว่าดับก็ได้ดับใชไ่ได้ยินแล้วก็ดับเนี่ยถ้าเราบมา่มีสติแนละ้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ตามองเห็นนะก็เห็นชั่วคราวสิ่งที่หูได้ยินก็ได้ยินชั่วคราวจมูกเราได้กลิน่นลิ้นเราได้รสก็ชั่วคราวกายกระทบสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายก็ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลย นี่เราคอยรู้สึกนะชั่วคราวเห็นไมสิ่งที่มากระทบมันชั่วคราวแต่ถ้าเราหลงเราหลงเพลินไปดูรูปก็หลงเพลินเห็นสาวๆก็เพลินดูเข้าไปเรื่อยๆนะเราก็จะไม่เห็นความเกิดดับของมันแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่ารูปมันก็เกิดดับเสียงมันก็เกิดดับแต่ถ้าขาดสติแล้วมันไม่เกิดดับมันจะรู้สึกต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆนั้นเราอย่าหลงนะ ถ้าเราหลงเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นทางกายอะไรเนี่ยหรือเราหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งเราจะไม่เห็นความเกิดดับของรูปธรรมและนามธรรม ท, ทั้งหลายแล้วความหลงไปเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยศัตรูหมายเลขสองซึ่งผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเป็นกันมากนั่นคือการนั่งเพ่งเอาไว้ทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราจะบังคับกายเราจะบังคับใจสังเกตไหม อย่างเคยหายใจสบายๆพอคิดถึงการรู้ลมหายใจก็เริ่มบังคับลมหายใจเนี่ยนะเพ่งเพ่งเพ่งนะบังคับเพ่จะให้ใจมันนิ่งๆบังคับกายบังคับใจเลยทำกายทำใจให้ลาบากแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนให้ทำแต่ท่านสอนว่าอย่าทำแต่พวกเรานักปฏิบัตินั้นชอบทำที่สุดเลย คิดถึงการเดินจงกรมใช่ไหมเคยเดินสบายๆก็ต้องเดินไม่เหมือนปกติแล้วเดินให้ลําบากเดินย่องย่องย่องลำบากแข้งขาก็เครียดไปหมดนะแข็งเครียดใจก็เครียดเครียดนะเวลาภาวนาเวลาลงมือปฏิบัติที่ไรก็เครียดทุกทีเลยนะบังคับกายบังคับใจนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามนะให้ท่านให้ทําอะไรท่านให้มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจค่อยรู้สึก ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกค่อยรู้สึกมอาไว้อย่าใจลอยในขณะเดียวกันอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจแค่รู้สึกรู้สึกกับเพ่งไม่เหมือนกันเพ่งเนี่ยมันเกิดจากโลภะก่อนความอยากความโลภอยากจะรู้ให้ชัดๆนะก็ส่งจิตเข้าไปจ้องเาไว้ในอารมณ์อันใดนหนึ่งเช่นไปจ้องใส่ลมหายใจเรียกเพ่งลมหายใจนะบางคนก็ไปเพ่งท้องฟองยุบ เดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้าบางคนเลยเท้าออกไปนะไปเพ่งพื้นว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งมันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปรู้ว่าพื้นมันเย็นร้อนอ่อนแข็งสิ่งที่ควรจะรู้ให้มากที่สุดนะคือรู้เข้ามาที่กายที่ใจของตัวเองโอปัญายิโกนะน้อมเข้ามาหาตัวเองอย่าส่งออกไปข้างนอกคอยรู้สึกอยู่ที่ตัวเองรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อย การที่เราคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจ Nej, เราจะเห็นทุกอย่างในกายในใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างการหายใจออกหายใจเข้าใช่ไหมเรามีสติแล้วเราก็เห็นเลยการหายใจออกมันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าแล้วเราหายใจเข้ามันก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายใจออกแล้วหรือเรายืนเดินนั่งนอนเรานั่งอยู่ใช่ไหมมันก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นเดินยืนต้องลุกขึ้นเดิน อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วก็นั่งนานๆยืนเดินนานๆก็ต้องลงมานั่งนั่งแล้วก็ต้องลงไปนอนเลยอิริยาบถแต่อิริยาบถเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดังนั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในกายแนละ้วเราจะรู้สึกแล้วมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งหมดเลยจะหายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมด นั้นเราค่อยรู้สึกเรื่อยๆนะเราจะรู้ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเช่นเกิดการหายใจออกแล้วก็ดับไปเกิดหายใจเข้าแล้วก็ดับนะเกิดยืนแล้วก็ดับเกิดเดินดับนะนั่งดับนอนดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นทางจิตใจเราก็ค่อยสังเกตใจของเราไว้ใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลง เดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูนะเดี๋ยวลังเลสงสัยเนี่ยอารมณ์ต่างๆนะหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลาให้เราคอยมีสติตามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าความสุขก็ชั่วคราวใมเกิดแล้วก็ดับความทุกข์ก็ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับความเฉยๆก็ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยที่เกิดแล้วไม่ดับ เนี่ยการที่เรามีสติรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจเนืองเนือรู้ไปมากๆานะเวัน7เดือน7จปีรู้อย่างสบายๆอย่าไปเพ่งใส่มันให้มันนิ่งนะแล้วอย่าลืมมันใครรู้สึกกายรู้สึกใจกายกระใจนั่นแหละจะแสดงไตรลักษณ์จะสอนธรรมะให้เราดูจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงนะเห็นแต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่เห็นแต่ว่าเราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกนะมันไม่ใช่ตัวเรานะทั้งกายทั้งใจ นี่เห็นอย่างนี้มากๆนะถึงวันหนึ่งเนี่ยสติปัญญาแก่กล้าพอแล้วอริยามรรคจะเกิดขึ้นตรงที่อริยามรรคจะเกิดขึ้นในธรรมจักรกับพวัตตะสูตรท่านสอนไว้ดีนะตรงนี้มีกระบวนการมีลีลาที่น่าฝังเริ่มต้นท่านบอกว่าจาักขุ้งอุตตปาทิดวงตาเกิดขึ้นอะไรคือดวงตาดวงตานี้ก็คือเครื่องมือในการเห็นธรรมะ เห็นสิ่งใดเห็นกายเห็นใจนั่นเองมีดวงตาที่จะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมียานะอุทธปาธิมีความอย่างรู้เกิดขึ้นว่าสิ่งใดเกิดแล้วก็ดับไปมีปัญญาอุทธปฏธิรู้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่ตัวเรามีวิชาอุทธปาธิรู้แจ้งในอริยสัจวิชารู้อริยสัจ รู้ว่านี่ทั้งหมดนี้ทั้งกายทั้งใจนี้มันเป็นกองทุกข์เท่านั้นเองถ้าใจเราเข้าไปอยากเข้าไปยึดในกายในใจนี้นะจิตใจก็จะไปรับเอาความทุกข์ของกายของใจนั้นมาแบกหามไว้ในจิตใจของเราอีกชั้นหนึ่งกายกับใจนั้นเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วถ้าเราเข้าไปยึดถือมันแล้วเราก็เข้ากับไปหยิบเอาความทุกข์เข้ามาใส่ใจของเราเองถ้าไม่ยึดถือในใกายในใจนะ กายกับใจก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันแต่ใจเราจะไม่ทุกข์ด้วยเราจะไม่ไปหยิบฉวยเข้ามาพระอรหันยังมีธาตุมีขันธาตุขันของพระอราหันต์ก็ยังเป็นทุกข์เช่นเดียวกับธาตุขันของพวกเราแต่พระอราหันต์นั้นไม่หยิบฉวยขันขึ้นมาท่านวางขันลงไปแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่พวกเราผู้ปฏิบัติบางคนวางได้เป็นชั่วคราววางแว บ, แวบเดียวก็ไปตะครุบขึ้นมาอีกนะตะครุบใหม่ฉะนั้นยังไม่พ้นทุกข์ เน่ถ้ามีวิชาเกิดขึ้นเราจะรู้แจ้งอริยสัจว่าทั้งกายทั้งใจนี้เป็นตัวทุกข์ความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์อยากให้กายให้ใจมีความสุขคือตัวสมูทไทยตัวความอยากเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกนะถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งแล้วเรารู้แจ้งเลยกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์มันก็หมดความอยากที่จะให้มันเป็นสุขเพราะมันเป็นไปไม่ได้เป็นความอยากที่ไรเดียงสา อย่างเราอยากจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนี่เป็นความอยากที่ไรเดียงสาอยากให้ไม่ทุกข์นี่เป็นความอยากที่ไรเดียงส า, า, ใ, า, า, งสาใช้ไม่ได้เนี่ยถ้าเรามีปัญญารู้แจ้งในกองทุกข์ในกายในใจความอยากมันจะดับไปเองแล้วก็ถ้าเป็นพระรหัส น, นะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกดับแล้วดับเลยของพวกเราก็ดับแบบปลุกลุโผล่ ๆ, ๆดับไปแล้วแตเดี๋ยวก็เกิดใหม่เดี๋ยวกนะ็รู้ทันก็ดับไปอีกถ้ารู้ไม่ทันมันก็ครอบงาใจให้เรา มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจพฤติกรรมที่ดีบ้างที่ชั่วบ้างนะเกิดการปรุงแต่งไปแต่ถ้าเมื่อไร่ใจเราปราศจากตัณหานะไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยจิตใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนิพพานคืออะไรนิพพานคือสันติเราอย่าไปวาดภาพนิพพานว่าเป็นบ้านเป็นเมืองอันหนึ่งอยู่ไกลไก ล, ลึกลับซับซ้อนนะต้องท้าภาวนานาน ๆ, ๆแล้ววันหนึ่งก็ไปอยู่ในเมืองนิพพานนะ นี่พระพุทธเจ้าอยู่ปราสาทหลังที่หนึ่งพระอัครสาวกมีปราสาทข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงั้ย น, นั่นไม่ใช่นิพานในาศาสนาพุทธนิพานที่แ ท, ท้จริงนะเขาเรียกว่ามีสันติลักษณะคือลักษณะสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากอะไรสงบจากธาตุจากขันนะสงบจากความปรุงแต่งเนี่ยถ้าเมืไรใจเราปราศจากตัณหาปราศจากความอยากนะ ใจนี้แหละจะได้เห็นพระนิพพานซึ่งพ้นจากตัณหาพ้นความอยากพ้นความปรุงแต่งมันปรุงแต่งได้ก็เพราะมันอยาก ท, าทันทีที่เราสามารถรู้ทุกแจ็มแจ้งจนละสมูทยัยแล้วก็เห็นพระนิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาในขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคงั้นทุกสมูทัยนิโรธมรรคนะั้นจะทําจิตในขณะเดียวกันเลยเรารู้ทุก ล, ละสมูทยัยแจ้งนิโรธ้็เกิดอริยมรรคในขณะเดียวกันนั่นแหละ หลังจากนั้นท่านก็สอนอีกนะทีแรกท่านบอกว่ามีจักขงมีดวงตาเกิดขึ้นใช่ไหมมีญาณคือความอย่างรู้ตามความเป็นจริงมีปัญญาความเข้าใจในไตรลักษณ์ของกายของใจนะมีวิ ช, ชารู้แจ้งในอริยสัจขึ้นมาสุดท้ายท่านพูดถึงอีกคํานึงว่า logo, อะโลโกุตปัฏติแสงสว่างเกิดขึ้นมันสว่างจริงๆนะในขณะซึ่งเกิดอริยมรรคขึ้นมาจิตมันรวมเข้ามาในอัปปนาสมาธิ อริยามรรคจะแหวกอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตใจนะขาดสะบั้นออกไปจิตใจเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงน้ำสว่างขึ้นมาแล้วก็จะมีความสุขที่สุดเลยในขณะนั้นท่านถึงบอกนิพพานังปรมังสุญญ์ยังนิพพานว่างนะว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสว่างจากตัวจากตนว่างจากความเปลุงแต่นิพพานังปรมังสุขขังมีความสุขที่สุดเลย พวกเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธผู้ปฏิบัติผู้สนใจไฝ่ธรรมเป็นผู้มีโอกาสที่จะเข้าถึงพระนิพพานในวันหนึ่งข้างหน้าครูบาอาจารย์ที่ท่านร่วงลับไปแล้วยังหลวงตาผนึกท่านจะถึงหรือไม่ถึงนะไม่มีใครรับรองได้แต่หลวงพ่อเชื่อว่าท่านถึงนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะก็เคยรู้จักท่านมาหลายปีแล้วรู้เลยว่าใจท่านไม่ได้ติดไม่ได้ค้องอะไร กายท่านเป็นทุกข์นะใจท่านไม่ได้ทุกข์ด้วยแต่ว่าไม่ยืนยันร้อเอร์็นนะเพราะหลวงพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะรับรองใครได้เอาแค่ว่าหลวงพ่อเชื่อว่ า, ว, าว่าท่านพ้นทุกข์ไปแล้วก็แล้วกันนี่ท่านก็ทิ้งร่างกายเอาไว้ให้เราช่วยกันเผาแต่หลวงพ่อไม่ได้อยู่เผาท่านนะตรงนี้เพราะว่าหลวงพ่อไม่สบายตนะ้องรีบกลับไปก่อนวันนี้มาด้วยความเคารพท่านนะเห็นอกเห็นใจ ท่านอาจารย์ผลศีด้วยท่านจัดงานมาช่วยเชียร์ท่านหน่อยพราท่านเหนื่อยทำงานอย่างนี้เหนื่อย น, ะนี่ดวงตาผนึกท่านก็จะทิ้งอัิธาตทิ้งอะไรไว้ให้เรานะอัิธาตของท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกับสถูบเจดนะีนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะสร้าง พระเจดีบรรจุอัติธาตุของท่านผู้ภาวนาดีๆอย่างนี้มีไม่มากหรอกเพราะฉะเรามีโอกาสนะเราก็ช่วยกันสร้างไม่ใช่โอกาสอย่างนี้จะมีบ่อยๆนะหลวงพ่อก็ช่วยนะถ้าเราพากเพียร น, นะเราวันหนึ่งเราจะได้มีความสุขเหมือนท่านเจอท่านแนละท่านมีความสุขนะใครๆเจอท่านยกมือให้ดูซิโอ้รู้เจอกัน ก็จเจอทั้งนั้นเลยนะปรากฏว่าคนกรุงเทพยบมือนะคนสุรินเฉยๆทำไม้ขายหน้าอย่างนั้นนะภาวนานะวันหนึ่งจะได้มีความสุขเวลาเจอท่านนะท่านจะสดชื่นจิตใจท่านสดชื่นนะมีความสุขร่างกายท่านนะแก่เท่าหาความสุขไม่ได้หรอกแต่ใจท่านมีความสุขพวกเราก็มีโอกาส ที่จะทำอย่างทันได้ถ้าเราหัดเจริญสตนะิการเจริญสติรู้กายรู้ใจเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะไม่ใช่การทําสมาธินะการทําสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นการทําสมาธิทําให้เกิดความสงบสุขในใจเฉยเฉยสงบชั่วคราวเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่ส่วนการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจรู้รกายรู้ใจเห็นกายเห็นใจเขาทางานไปเรื่อยๆมันจะเกิดปัญญา ปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปมีปัญญาอย่างนี้ถ้ามีปัญญาอย่างนี้แก่รอบนะจะได้เป็นพระโสดาบันชาตินี้อย่างน้อยต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้นะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกแต่ถ้าทำผิดนะมันยา ก, กันทำไงก็ไม่ได้ถ้าทำถูกนะง่ายที่สุดเลยไม่ยากหรอกคนที่ทำได้ก็มีเนะยอะแ ย, ยะไปเช่นพระโมคขลาพระสารีบุตรเป็นตน้นะ อย่ามาถามยุคนี้นะไม่บอกหรอกง่ายนะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยรู้สึกตัวไว่อย่างตอนหัวเราะใช่ไหมใจผ่อนคลายรู้ว่าใจผ่อนคลายคอยรู้ไปเห็นไหมใจที่ผ่อนคลายตะกี้ดับไปแล้วเกิดใจที่นิ่งนิ่งขึ้นมาแทนดูออกไหมแต่ใจตอนนี้นิ่งนิ่งบางคนใจลอยแล้วรู้สึกไหมเห็นไมเมื่อกี้ใจสบายสงบนิ่งนิ่งแป๊บเดียวใจลอยไปอีกละ แม้ใจสงบก็ไม่เที่ยงเมันเกิดระดับเกิดเป็นใจที่ลอยไปแทนหนีไปคิดแทนเนี่อยรู้สึกนะไอยดูเข้าไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยครับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกสิ่งทุกอย่างรู้ให้มากๆนะวันหนึ่งก็จะได้เป็นพระโสดบาบันไม่ยากเท่าที่คิดหรอกแต่ต้องทำให้ถูกวิธีนะถ้าเอาแต่เพ่ง <S <S เพ่งเอานะกี <S <S <ขอ>่ชาติก็ไม่ได้ก็ได้แต่เพ่งการเพ่งเพงนั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้า งั้นให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจไว้วันนี้เทศเท่านี้พอไหมพอแล้วนะมีเสียงข้างมากบอกว่าพอแล้วคือมีหนึ่งเสียงก็พูดอยู่คนเดียวบอกพอแลคนอื่นเฉยๆถือว่าไม่ออกเสียงเอาเท่านี้ก็พอแล้วนะนะเวลาที่เหลือไปภาวนาเวลาที่หลวงพ่อมาหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อจะไม่ใช้เวลาเยอะเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่และองค์จะใช้เวลาน้อยมากเลย ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นเวลาที่เหลือเนี่ยเอาไว้ภาวนานะเอาเวลามานั่งฟังนั่งเล่นนั่งคุยมากๆนะเสียเวลาเวลาของคนแต่ละคนมีจำกัดนะหมดแล้วหมดเลยงั้นอย่าให้หมดเปล่าๆมีสติเข้าไว้รู้สึกไว้รู้สึกไว้นะไม่ยากหรอกอ่ะเท่านี้ก็พอละต้องให้ผ่อนไหมอ๋อต้องให้นะ ทำดีดีกว่าขอพร น, นะให้พร น, นะมันก็ให้กำลังใจเท่านั้นเองแต่ละคนจะได้รับพรหรือเปล่าพรแปลว่าความประเสริฐเราจะได้รับสิ่งที่ประเสริฐเราก็ต้องทำเอาเองจะมาขอหลวงพ่อไม่ได้นะมาขอหลวงตากไม่ได้นะยิ่งมาขอป่วยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเอ้ารับพรก็รับไปนะจะได้กลับบ้าน ยะถาวาริวาฮาปุราปริปูเรนตีสักขรางเอวเมวาโตดินัางเปตานางอุปกะปติอิชิตังพติตังตุมหังจิปะเมวัสมิฉตุสับเหตูเรนตุสังกัปปะจันโทพันนารโสยะถามณีโชติราโสยะถาสพีตีโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคาโยโกภา อาภิวาทานาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตตาโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุแปลว่าดีนะจะดีได้ต้องทำหรอนะนสาธุไม่ได้อะไรหรอก